ไม่ต้องห่มเหลืองโกนคิ้วหอมผ้าเหลืองสินยังไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบให้เห็นว่าบุคคล น, นั้นเป็นอย่างนั้นยังมีผู้มีสินบุคคล น, นั้นเข้าวัดทิ้งี่มีสินบุคคล น, นั้นบวชทิ้ที่จะมีสินไม่ใช่อย่างนั้นศินคือความปกติของของร่างกายของจิตใจอย่างที่เรามาเจริญสติอย่างนี้กายของเราก็มีระเบียบมีระเบียบเพราะอะไรเพราะเรามีสติมีสติกําหนดรู้ในการเคลื่อนกันไหวกันไปกันมา เราจะเดินข the ้ามถนนก็ดีเ uh, ด uh, ินไปห้องน้ำก็ดีเรามีสติกําหนดอู่หรือรู้อยู่เราก็จะไม่อไม่เก๊กะบางคนนี่ปวดท้องขึ้นมาจะคลองน้าวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งเข้าคลองน้ำปุบปุบปุบปุบปุบไปวิ่งไปบุคคลอยู่บุคคลหนึ่งอยู่ในคลองน้าเคาะประตูกุ๊กกุ๊กกุ๊ออกมาเอามาออกมาะออกไปแล้วอุอุ้อเคาะอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นก็ยังเบ่งอยู่อึ๊ออยู่ในค้องอ่ะเนี่ยแล้วก็ไปเล้าไปลมอยู่อย่างนั้นอ่ะ นี่คือว่าคนไม่มีสติไม่มีสติเอาต้องอดทนก่อนถ้าบาคคนไหนมีสติเราจะอดทนค่อยไปอดทนถึงมันจะออกก็อดเอาไว้ยุ่มเอาไว้กั้นเอาไว้ถ้ามันจะออกจริงๆแล้วก็เอามืออุดเอาไว้เอรอ ก, ก่อนรอ ก, ก่อนยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยมันก็รถใช่ไหมล่ะรดนี่ถ้าไม่ถึงเวลาคิวเขออกก็ไม่ปล่อยนะก็รอก่อนถึงจะมีคนมากก็แล้วแต่เอาไว้นั่งก่อนจักรไปก่อน นี้แหละถ้าเรามีสติแล้วเราจะรู้จักรู้จักคือไม่หุ่วายไม่หุนหันพันแล่นจะอยู่ในระบบ ข, ของธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นรอได้ทนได้รอได้ทนได้เย็นได้ยกตัว อ, อย่างอย่างเราหิวข้าวนเนี่ยหิวข้าวเหมือนกั น, นถ้าเราไม่มีสตินะตัวหิวข้าวนเนี่ยนะเราก็คงจะเคยได้ยินนิทานใช่ไหมนิทานอะไรนิทาน กองเข้าน้อยคาดแม่นี่เป็นนิทานคาดสติกองเข้าน้อยคาดแม่คาดสติเป็นนิทานอย่างที่เขา อ, อยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดเจ้าโสธรกองเข้าน้อยฆาดแม่ก็มีลูกชายคนเดียวก็อยู่กับแม่หน้าที่ของลูกชายก็ต้องไปนาะเพราะพ่อตายแล้วก็ทําทําหน้าที่แทนแทนพ่อเลี้ยงแม่ ืเช้าขึ้นมาก็พาควายไปไถนาไถ ท, ทุกวันทุกวันจะเสร็จแล้วล่ะพอดีวันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นวันที่แม่ของพี่ใยญ่จะตายแล้วเองเอเราก็เหมือนกันเราผู้เป็นลูกก็เป็นวันที่จะทําบากหนักที่สุดวันนั้นก็เป็นวันพระอย่างนี้แหละแม่ก็เลยมามาทางวัดด้วยมาทําบุญก่อจะได้กลับไปก็คงจะเป็นพระเทศยังไงจะมาเทศนนี่แหล ะ, ะเทศไปรู้จากลมก็ไม่รู้จาก เทศไปเรื่อยก็เลยสายหน่อยโลโดชัยก็เลยไปไถนาอยู่ที่ทุกนาตะวันก็สายขึ้นสายขึ้นความหิวอะ่ะความหิวมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นความหิวนี่มันไม่เห็นอะไรนะก็เลยแม่ก็เลยไปส่งข้าวที่ทุงนาพอดีมองเห็นแม่เอาข้าวไปส่งมาแอบข้าวมาหน่อยนิดเดียวโอ้โคูไม่ไหวแล้วนี่ กลัจะไม่อิ่มทั้งที่ยังไม่กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเห็นก่องข้าวไม่รู้แล้วไม่อิ่มแล้วคูไม่อิ่มแล้วเห็นแม่เป็นคนเห็นแม่เป็นเป็นคนอื่นก็เลยบอกว่าก่องข้าใหญ่ๆเอาไว้ทําไมมึงทําไมแบบเอามาให้คูกินมึงแพงไหมให้ใครเมียก็บอกว่ามากินก่อนลูกมากินก่อนจะอิ่มหรือไม่อิ่มจะหมดหรือไม่หมดก็มากินก่อนไม่อิ่มแล้ววันแล้วก็กว้าได้แอกหน่อย วาดงนตอแม่ตักเลยเนาะแม่ก็ถูกแย่หน่อยก็ซักงงงท่ันแม่ซักแม่ลมลไปแล้วเเจ๊จะขาลูกเออว่าจะว่าจะขาลูกจขาแม่ได้ลูกออจะขาแม่ได้ว่ัเท่ะตวมงพันตายเถอะเทานันน้อีกวันนี้แค่ปมิตรกิริแม่ตายสับแม่ตแล้วมันนังกินเข่ามันกินในค่ำเดี๋ยวแข็งอึกลมเขากองนิดหน่ก็บมตมันกินใน่เดี๋ยวแง ยังคิดถอแม่มาเลยวางยังแม่ตายแล้วนี่ก็คือขาดสติตัวเดียวขาดสติระวังเลยอ ห, หนุ่ยไอ้นุ่มไประวังเลยวพวเพราเธอแม่มาสื่อมอรต้อยใหญ่แล้วเลยระวังไม่ดีเลยแม่มาสื่อมารต้อยใหญ่ผมบอดาเลยบอดายได้ดไดพเพราะเธอมีเลื่องเลยญาตไปเหตุแทศแดกคนใหม่คนหนุ่มถ้าเราถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมนั้นไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นจะรู้จักสภาวะธรรม คำว่าสภาวะธรรมก็หมายว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเรานี่คือสภาวะธรรมก็คือจิตใจนั่นเองใจดีใจร้ายเรารู้เราเห็นแล้ว เ, เข้าใจไหมเราเตือนเราได้ไหมเรามีสติเข้าไปรู้ได้ไหมฉะนั้นสติที่เราทานี่จึงมีคุณค่ามากมีคุณค่ามีราคาซื้อไม่ได้ขายไม่ได้แล้วก็เจ็บแกใจให้กันก็ไม่ได้อย่างอาตมาพูดนี่ก็พูดให้โยมฟัง เพื่อเราจะได้ไปประพฤติปฏิบัติคือบอกทางเดินให้ทางฝสายนี้เดินทางนี้นะปลอดภัยนะทางสายนี้จะไปนะไม่ไม่มันไม่ปลอดไม่ไม่ปลอดภัยนะอย่าไปถ้าใครเชื่อใครต่างกาเาง็เดินทางสติเดินทางสติเมื่อมีสติแล้วก็สมาธิก็จะมาปัญญาก็จะเกิดฉะนั้นการที่เราพวกเรามาเจริญสตินี้จึงเป็นสิ่งที่จะที่ดีที่งาม แล้วก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์เป็นคนก็เป็นคนที่สมบูรณ์ถ้าเป็นพระก็พระที่สมบูรณ์เป็นพระที่สมบูรณ์เป็นพระที่รู้จักรู้จักสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นที่เครารพสักการะของญาติโยมของญาติโยมไม่ใช่พระอ่าโอ้อะไรจะทำบุญก็ถินแล้วจะจะทำบุญพระป่าแล้วแกทองแกทองตีกาขอเงินจากญาติโยมแล้วเอาเงินไปทาไมพระ โยมคิดเอาสิข้าวไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้เศร้าข้าวไม่ได้ซื้อกินแล้วก็นอนลูกก็ไม่เต่าแล้วพระเอาเงินไปทําไมไปขอเงินจากโยมแล้วก็มีเงินเหมือนกับโยมแล้วมีทําไมโยโยมนองคิดเอสิพระคือผู้สละแล้วนั่นแหละคือพระคือสละคือไม่เอาอะไรทุกอย่างไม่แต่ครอบเสียครัวลูกเมียก็ไม่เอา ไม่เอาอะไรทุกอย่างนี่คือพระพระคือผู้สละคือผู้สละกิเลสถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็เป็นพระไม่ได้เป็นได้ต่เพียงรูปแบบอย่างรูปแบบตรงนี้มันก็ไม่ยากไหมันมั น, ม, นมันไม่ยากขอให้มีอุปชามีคณะสงมีภาไกลมีบาตบวชที่ไหนก็ได้หนีไปบวชก็ได้อย่างผู้ร้ายมาบวชก็ได้มันไม่ยาก แต่ว่าพระในทางพุทธศาสนานั้นหาได้ยากหาได้ยากจริงๆคือพระที่ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อระกิเลสคือไม่มีความอยากนั่นลหละคือพระในทางพุทธศาสนาน <S 2> <S 2> <S เป็นพระที่อยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นอยู่ที่ไหนก็พุทธบริษัทไม่เดือดร้อนจะมาที่นี่ก็เหมือนกันก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่ที่นี่ก็ไม่เดือดร้อนคือเป็นพระผู้มีแต่ให้ให้ธรรมะ ให้แจ้งสว่างคือชี้ทางที่ถูกบอกทางที่ผิดให้นี่คือพระแล้วท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติได้ด้วยคือเป็นผู้ปฏิบัติดีนั่นแหละปฏิบัตดิดีคือปฏิบั ต, ติตรงแล้วก็ปฏิบัติไม่เบียดเบียนแล้วก็ปฏิบัติสมควรนี้คือพระในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ไหมายถึงว่าหงวงัวล้นของพระเหลี่ยมพระอย่างนี้เขาเรียกว่าพระสมมุติ สมมุติบัญญัติให้ขึ้นมาเมื่อบวชแล้วไม่ได้มาบวชทางใจบวชทางกายแล้วต้องบวชใจเลยนะการบวชต้องบวชสองอย่างบวชสองอย่างบวชกายแล้วต้องบวชใจบวชกายต้องอาศัยอุปชาบวชใจต้องมาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติฝึกใจของตนดีแล้วฝึกจิตฝึกใจฝึกหัดตนเองฝึกกรรมฐานดีแล้วเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ฝึกจิตเขาเรียกว่ากิตตะสุขาวหา จิตที่อบรมดีแล้วก็มีแต่ความสุขคือนําสุขมาให้คําว่านําสุขมาให้ก็หมายถึงว่าให้ญาติให้โยมนี่แหละได้รับความสุขคือเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอไม่ใช่ผู้ขอคือเป็นผู้ให้ถ้าขอก็ขอให้ญาติโยมนี่อยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ในศีลอย่างญาติโยมติดบุรีใช่ไหมนะ่ะอัตามาก็ขอโยมอัตามาขอขออะไรขอบุรี ขอบริโยมขอเลิกให้โยมนั่นสู่บุรีอย่างโยมกินหมากก็ขอเลิกให้โยมนี่กินกินหมากลนะเลิกซนะอย่างอย่างโยมกินเหล้าดื่มเหล้า ก, ก็ขอให้โยมนี่เ ล, เลิกเลิกเหล้านี่คือพิสุทพิสุข ค, คือผู้เห็นภัยในวัฏฏสงฆ อ, อในวัฏฏสงสารบริมันไม่ดี ม, ม, ดมันเป็นภัยเขาก็เตือนอยู่อย่างไอมาคำหน่อยอันไม่มาิตบัดแติบัด ท, ทำกรง่อด ยาวิชนรุ่นใหม่ยาไปสู่บุหรี่ให้คนเท่าคนแก่สูบสะเดี๋ยวท่างก็ตายดอกสูบไปตายสะถ้าละไม่ได้ก็หายตายแต่พวกเราเอย่าไปสูบเพราะว่าบุหรี่เขาเขียนบอกเลยนะเป็นอันตรายต่อวัยใจนะบุหรี่นะเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วอยู่ในคลองบุหรี่นั่นหลวงพ่อได้อ่านแล้วอย่าไปสูบอย่าไปติดเนี่ยถ้าผู้รู้จริงๆเราจะออกได้ละได้ นี่นี่คือพิสุคือผู้ผู้ขออย่างนี้ขอให้โยมในเลิกละจากอบายยมุกไม่ใช่ว่าขอปัดใจ <c oughs> หา้ากระิ่นก็แจกซองกระถิ่นหน้าพราปากพระแจกซองผราปากขอเงินญาติโยมมีเงินแล้วเอาไปไหนพระมีเงินเอาไปไหนพระที่มีเงินเอาไปไห น, น, ไไหนก็เอาไปสนองกิเลสสนองขี่กิเลกก็คือความอยากนั่นเองอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้รถซื้อรถ อ ย, อ, TV, อยากได้ทีวีก็ซื้อทีวีอยากได้โทรศัพท์ก็ซื้อโทรศัพท์นอยากได้อะไรก็ซื้ออย่างนั้นนะ่ะคือสนองความอยากคือป้อนกิเลสอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอออะไรล่ะแมวกับหนูนะ่ะแมวกับหนูนี่แมวกับหนูครั้งแรกเนี่ยแมวนี่กับหนูนี่แมวมีสัญชาต ญ, ญาณจับหนูอ่จับหนูแต่พอดีอแมวมันตัวเล็กอ่ะ แมวตัวเล็กหนูนตัวใหญ่เห็นมันเห็นหนูวิ่งมาปับ๊บแมวมันก็คุบปุ๊บอ่ามันจะกัดหนูแต่มันกัดไปได้หนูนตัวใหญ่หนูมันก็อ่าลากแมวไปเลยแมวมันตัวเล็ก อ, อย่างนั้นอ่ะแต่ที่นี่เราไม่ต้องไปเลี้ยงหนูหนูก็คือกิเลสแมวก็คือตัวสติเราก็มาเราก็มาฝึกสติอคือเมื่อเลี้ยงสติคือการเจริญสตินี่แหะให้ให้แมวนี่ให้อาหารแมว คือให้ความรู้สึกให้มากมากขึ้นแล้วตัวหนูนั่นก็คือความคิดความคิดมันอาจจะลากเราไปคือสติของเรายังไม่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราเราฝึกสติดีแล้วเราไม่ต้องให้เราไม่ต้องว่าความคิดมันจะมามากแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะรู้เข้ามันเองมันจะทันเข้ามันเองนี่เขาเรียกว่าฝึกสติถ้าเราไปเลี้ยงถ้าเราไปบํารุงตัวหนูคือบํารุงตัวอยาก หนูมันก็โตขึ้นตัวขึ้นแมวก็ไม่ได้อาหารไม่ได้อาหารและสติเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเลยมก็เจ็บเลยทีนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ทันความคิดกิเลสมันก็หลากเอาตัวตัวแมวตัวนอนในปลายไปหนูมันก็ปลายไปเรื่อยๆเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนคือการไม่เอาอะไรคำว่าพระก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาอะไรแม้แต่คำว่าขอบคุณคือไม่เอาอะไรเนี่ยบางคนก็บอกว่านะ เอาไม่เอาอะไรก็ไม่ต้องดุงผ่าอาทิตย ว, นวนันเทิ้งอเสริมถอดออกไม่เอาอะไร <c oughs> เกอลอี่ยกายอย่างนั้นน่ะนั่นก็ ย, ยิ่งยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งแล้วใหญ่นั่นก็เลยว่ามักนก <t ick le> ็เป็นดิจิตีแลสิเป็นเดิจิีแล้วไม่เอาอย่างนั้นน่ะคําว่าไม่เอาอะไรก็คือก็คือว่าไม่เอาสิ่งที่มันจะทําให้เรานี้เป็นทุกข์นั่นน่ะคือความอยากนั่นน่ะคือความอยากคือเรามาสลักความอยากที่มัน มันไม่รู้จักจบไม่รู้จักพิศนี่แหละให้มันอยากให้น้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่อยากอะไรจนมีแต่ตัวรู้จนมีแต่ตัวสติจนมีแต่ตัวสมาธิมีแต่ตัวปัญญาเมื่อเรามีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาแล้วเราก็รู้ทีนี้รู้จากจากรู้จากหา่ารู้จากกินรู้จักอยู่เป็นพุทโธพุทโธตัว น, นี้แยวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้กินข้าวเป็นไหมคนรู้ธรรมะกินเป็นมีของใช้เป็นไหมมีเป็นแต่มีอย่างผู้รู้กินอย่างผู้รู้อยู่อย่างผู้รู้ไม่ได้อยู่อย่างผู้ไม่รู้ถ้าอยู่อย่างผู้ไม่รู้ก็อาบทำไปสั่งไปหาไปกินไปทุกไปโกรธไปเคียดไ ป, ไปสูญไปที่ไหนพอใจก็ หัวที่ไหไม่พอใจก็หน้าบึง้งเออนี่ก็ว่ารู้อย่างผู้ไม่รู้แต่ก็รู้อยู่รู้ว่าเขาด่าเราเราโกรธเราไม่พอใจเราก็รู้อยู่แต่ว่ารู้อย่างไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามาเจริญสติที่นี่มาเราเพิ่มปฏิบัติที่นี่นะเราจะเราจะรู้อย่างผู้รู้รู้อย่างสมบูรณ์อย่างไม่ผูกข้องคือรู้ที่กายที่จิตนี้ก็เลยมาทํากรรมฐาน เมื่อเราทำได้อย่างนี้ทำบ่อยๆอย่างที่อาตมากล่าวมานี้เราก็จะเป็นพุทโธโดยไม่ต้องท่องพุทโธโดยไม่ต้องท่องเป็นกรรมฐานโดยเฉพาะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้อยู่บ้านก็เป็นกรรมฐานอย่างเด็กนักเรียนบางคําน่อยมันไม่มันเรียนหนังสือมันก็เป็นกรรมฐานมันเขียนหนังสือมันก็เป็นกรรมฐานเป็นจริงจง เพราะมันกรรมฐานตัวนี้แปลว่าการกระทำทําการทำงานทำรั้วทำสวนไปโรงเรียนก็เขียนหนังสือเตะขุดบอลเล่นกีฬาอ่ามันก็รู้ของมันอยู่อย่างนั้นนะรู้มันอ ย, อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าตัฐาขาตาเป็นยังสัตมันเป็นอย่งสันว์ใช่าหมเป็นอย่งสันบเป็นยั ง, ยงคือมันรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องมาเดินยมกลมที่นี่ก็ได้ ถึงเวลามาก็มาก็ได้มาที่นี่แค่เจ็ดวันเราไปอยู่บ้านขีวันแล้วอย่างที่นี่อย่างวัด น, นี่วัดอาจารย์สมสรานี่ปีหนึ่งเปิดครั้งเดียวเจ็ดวันปีหนึ่งมีสมัยมีสามร้อยกว่าวันเรามาแค่เจ็ดวันแค่นี้มันไม่คุ้มมันขาดทุนถ้าเราจะมาเฉพาะแดีวบันเดินจมกรมตรงนี้ทํากับทํบากรรมฐานตรงนี้กลับไปบ้านเราก็เขี่ยวหมากเหมือนเดิมยายเคยกินหมากก็าขับไปบ้านกราไปนั่งเหยียดท่อยเขี่ยวหมากช่วย ผบน้ํามากอยู่ฝากแดงองนี้น่ะพ่อใหญ่มาที่นี่ก็มาแค่เก็ยบ้านก็ปวดได้อยู่บุรีกลับไปแล้วถอนอี ก, กันนั่งสูบยาทวนทวนในคนมันไม่ได้มันไม่ได้คําว่ากรรมฐานนี่เออทาไม่หยุดอยู่ที่ไหนก็เป็นกรรมฐานอยู่โรงเรียนเด็กรงเรียนก็เรียนหนังสือตั้งใจเรียนก็เป็นกรรมฐานเป็นสมาธิพวกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ดิกลับไปบ้านไปอยู่บ้านตั้มกระทิสตําแกว หุงข้าวต้มแกงไปไล่ไปนาอเล้าตอกสารกระบุงกระตาเป็นกรรมฐานดังนั้นก็คือมันก็อยู่ที่เราเนี่ยบอกว่ารูา้เฉพาะในการกระทําคือทอทหารแล้วก็สลอํานี่คือทํากรรมฐานถ้าทําได้อย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นคนเป็นคนโดยสมบูรณ์เป็นคนโดยสมบูรณ์ได้เป็นอะไรเป็นมนุษย์คือยกระดับจิตของตอนเองขึ้นมาสู่อี ก, อ ก, อกระดับจิตหนึ่ง คือให้มันสูงขึ้นเหมือนกันนักเรียนเนี่ยอย่างมาทํำหน่อยเรียนหนังสือมันบ่นอะเรียนที่แรกมันบ่นอะเป็นเรียนเด็กเล็กเล็กเด็กกบจบเด็กเด็กกับขอหนึ่งข้อสองมาไมเรื่อยเมื่อหร่ผ่านสอบอะไรก็ยูทุกคนแล้วขอหนึ่งให้มันผ่านเสียก่อนให้มันผ่านเสียก่อนจิตระดับจิตของเราก็เหมือนกันต้องให้มันรู้จักตนเองเสียก่อนรู้จักตัวเองให้มากๆขึ้นเมื่อรู้จักขึ้นแล้วเราก็เป็นจิตใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นมันก็หลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นวิชาความรู้ก็หลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นจนได้เป็นด็อกเตอร์อจนได้รับปริญญาจนได้มีการมีงานทําจนได้มาเป็นอาจารย์นีิสอนคนอื่นอีกเนี่ยคือรู้อย่างนี้อย่างพระของเราเหมือนกันบวชมาใหม่ๆก็เป็นพระใหม่เป็นพระใหม่พระใหม่นี้จะไปเทศไปสอนไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่รู้ เมื่อไม่รู้เราดันไปสอนนอเสียเลยถ้าไม่รู้เราดันไปสอนต้องรู้เสียก่อนต้องเรียนเสียก่อนอย่างน้อยต้องสามปีหรือห้าปนะีต้องฝึกกับอาจารยาร์ได้ก่อนต้องเรียนให้มันรู้เสีก่อนเพรวิเนียรคืออะไรธรรมะคืออะไรสาสนะคืออะไรต้องรู้จากข้อวัดปฏิบัติเสียก่อนะต้องฝึกกับอาจารย์เสียก่อนจึงออกไปเทศไปสอนได้เราก็เหมือนกันพวกเรามาปฏิบัติธรรมด้เหมือนกัน ต้องรู้การเคลื่อนไหวของกายเสียก่อนรู้อย่างนี้เสียก่อนเพราะว่าการเคลื่อนไหวของกายนะั้นมันมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดมันไม่ได้หยุดฉะนั้นการที่มันไม่หยุดเราก็ต้องไม่หยุดด้วยกันการที่เรามาพัฒนาตนเองเนี่ยก็ไม่หยุดด้วยกันไม่หยุดไปกับการรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวมันจะตีงมันจะเคลื่อนมันจะไหวมันจะเดินมันจะไปอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ในเฉพาะ ที่มันเคลื่อนมันไหวไม่ต้องรู้มากรู้เฉพาะรู้เบาๆสัมผัสเบาๆเนี่ยเมื่อเรารู้ได้อย่างนี้เราก็เป็นผู้ที่ว่าทํากรรมฐานอย่างต่อเนื่องคือทํากรรมฐานไม่ตายทํากรรมฐานเป็นอย่างน้ํามันไหลอยู่ตลอดอย่างน้ำทีของเราเนี่ยไหลตลอดเขาเรียกว่าน้ำที่ไม่ตายน้าที่ไหลอยู่ตลอดนะมันก็ไหลไปเรื่อยๆของมันอยู่เป็นน้ําที่สะอาดด้วยน้ําที่ไหลเป็นน้ําที่สะอาด เป็นน้ำที่มีคุณภาพน้ำที่ตายเห็นไหมน้ําในส้วมเห็นไหมเห็นบ่างคําน่อยน้ำในส้วมเท่าขี่ใส่น้ําขำใอืงน้ำในห้องน้ําส้วมคือน้ำไม่ได้ไหลไปไหนเราขี่ไปเพก็อลาดน้ําก็ลงหมดลงห่นลงหมนก็อัดไปอัดไปเน่าเยลย์ปั่นประแดกคนโตเนี่ยหนักเขาว่าน้ําน้ํามันตาย ถ้าน้ํามันไหลเหมือนกับเราจเจริญสติก็เหมือนกันเราจเจริญสติก็เหมือนกันอเราจเจดิญเจริญไปเรื่อยๆกับการเคลื่อนกันใหวของเราแล้วนะเห็นเรื่อยๆทําเรื่อยๆทำบ่อยๆทําเรื่อยๆถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ว่าฝึกตนเองเห็นตนเองเข้าใจตนเองเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานแบบพื้นฐานแบบชาวบ้านของเรา mm hmm. เมื่อเรารู้ได้อย่างนี้ไปบ่อยๆ แล้วสมาธิมันก็จะเกิดปัญญามันก็จะมาเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เป็นศิลเป็นศิลป์เปขาเรียกว่าศิลปสิกขาเขาเรียกว่าสิกขาสามนั่นหละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องมาขอจากพระอย่างอาต ม, มาเมื่อเมื่อบวชได้หลายปีแล้วสีห้าปีแล้วมีโยมคนหนึ่งมาขอศิลปมาขอศิลจะมาปฏิบัติอย่างนี้น่นีอ แตมาปฏิบัติอย่างพวกญาติยาโยมมาปฏิบัติเนี่ยแต่มาที่หลังเขาอยากจะได้สินพอดีก็มาขอสินจากอาตมาโยมมาทําไมมาขอสินบอกว่าอาตมาไม่ให้หรอกสินอาตมาจะขาดเพราะอาตมามีสินสองอยี่สิบเก้าข้อเอาให้โยมไปห้าข้อเอาให้โยมไปแปดข้อขอสินแปดนะมันก็ขาดแล้วไม่ให้โยมโ่อปวดว่าไม่ให้บอกว่าพระตะหนีสินปวดอาตมา เขาก็โยนคันนองใหม่โยนคันนองใหม่ใส่อัตมาเราเว้ยเอาพระคีดที่ศิลป์นั่นมารับซะขันนองใหม่ไปอ่านละเมื่อไปแล้วก็มาเมื่อไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมในบัดนี้นี่ว่าอะไรมันตัวไปได้มานเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปปฏิบัติมาเราเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็มาขออัตมาว่าโอ้เข้าใจแล้วอาจารย์คำอาศิลป์นั่นคืออะไรไม่ต้องขอแล้วเนี่ยตั้งแต่กี้แต่ก่อน โยมปวดโยมโยม โ, ยมโวดโยมโกวดมากจริงๆโกรธให้อาจารย์แต่เรนนี้ไม่โกรธแล้วดีแล้วเนี่ยถ้าคนเราท่านรู้แล้วไม่โกรธถ้าไม่รู้แล้วมันโกรธคือคว้มไม่พอใจแั้วมันเกิดขึ้นเท่นั้นที่เรามาปรเพื่อปฏิบัติที่นี่เรามาเพื่อเป็นผู้รู้ไม่ใช่มาเพื่อเป็นผู้หลงขอให้รู้สึกตัวมากๆทำกรรมฐานมากๆแล้วมันจะเป็นไปเองตามธรรมชาติ เป็นไปนจริงจริงด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกับใบไม้ในป่าแต่เมื่อเอามาปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกับใบไม้ในกำมือเดียวเหมือนกับเหมือนกับต้นไม้เหมือนกันในป่ามันเยอะแยะแต่สิ่งที่จะเอามาเป็นประโยชน์แล้วก็คือนิดเดียวเอามาทํายาแย่โรคไม่ได้เอามาเหมิดป่าแค่นั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากถึงกับแปดหมื่นสี่พันเรื่องก็ตาม แต่เรเอามาปฏิบัติก็คืออยู่ที่กายกับใจแค่นี้เอามาปฏิบัติแค่นี้เอามารู้แค่นี้นะเมื่อเรารู้จักแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันก็สั้นลงเแต่เราเดินทางนัดเดินทางนักคือทําเฉพาะที่มันมีอยู่ในตัวเราไม่ได้หาออกตัวฉะนั้นการเจริญสติจึงมั่นใจอย่างอาตมาในมั่นใจในการเจริญสติเพราะว่ามันมีมประโยชน์ถ้าไม่ได้เจริญสติอย่างนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้ จะอยู่เวทพรก็อยู่ไม่ได้ต้องต้องวิ่งลนขนขวายไปตามที่เขามีไปตามที่เขาเป็นอถ้าเรามาเจริญสติเราก็หยุดได้เย็นได้ทําได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสได้เฉพาะเราเมื่ออารมณ์มันผ่านเข้ามาทางหูก็ดีทางตาทางก็ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจเข้ามาทางหูก็คือเสียงเข้ามาทางตาก็คือรูปเข้ามาทางจมูกก็คือกลิ่นเนี่ย เข้ามาทางนี้ก็คือลดเข้ามาทางใจก็คือทำอารมณ์เนี่ยมันเข้ามาเขาเรียกว่าอารมณ์มันเข้ามาเราก็รู้แล้วก็เข้าใจตาเห็นรูปปั๊บเราก็รู้เราเข้าใจหูฟังเสีย ง, เ, ยง เ, าา เ, เ, ยเสียงเขาด่าเราก็เข้าใจเสียงก็สารเสื่อเยียนยอเราก็เข้าใจถ้าเรารู้นะถ้าเราไม่รู้มันก็หลงเขาดา่าเขาด่ามาเขาด่าเรามามันดา่ากูโกรธแล้วความโกรธนี้คือความหลงคนหลงคือคนไม่มีสติ ไม่มีสติฉะนั้นการเจริญสติจึงเป็นทำนกกั้นความหลงกั้นความโกรธกั้นความโลภกัก้นความหลงมันเป็นของกัน้นมันเป็นทำนกฉะนั้นจึงมีประโยชน์มากสติความระลึกได้ในธรรมทั้งหลายทั้งปูงเอาสติขึ้นก่อนเอาสติเป็นแม่บทในภาพกุรายัตสติความระลึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดแล้วก็สัมปชัญญะตามมาอีก เนี่ยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในเวลาทําในเวลาพูดในเวลาคิดนี่ขึ้นก่อนเลยขึ้นเป็นประเข็มบดเนี่ยถ้าเราได้มาเจริญสติอย่างที่พวกเราทํานี้ขอให้มั่นใจญาติโยมให้มั่นใจในหลักปฏิบัติของพวกเราจะได้ลังเลจะได้สงสัยดีแล้วโชคดีลแล้วที่มีอพระาอาจารย์กรรมฐานมาอยู่ที่นี่คืออาจารย์สมศักดิ์หรือว่าคนสมศักดิ์มาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นพระหนุ่มด้วย เราก็ได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติเราก็พาญาติโยมมาได้ปฏิบัติที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราเป็นอานิสงส์ของเราที่จะต้องขอนขวายที่จะต้องกระตือรือล้อนในการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันชัดให้มันเจนให้มันแจม่มให้มันแจ้งอย่าให้มันมืดอย่าให้มันหลงตั้งใจปฏิบัติตั้งใจประพฤติอย่าได้คุยกันอย่าได้ เอาเรื่องอื่นมามาใส่ใจให้ใส่ใจในการเจริญสติอย่างเดียวหรือว่าพระเน้นของเราก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ของเราเหมือกันให้มาปฏิบัติร่วมกันอย่าว่าเป็นคนเก่าคนใหม่อย่ามีเจ็บพูดถ้ามีเด็พูดมันก็ได้คําพูดถ้าช่วยกันปฏิบัติมันก็ได้ปฏิบัติคือได้มีระบบมีระเบียบอยู่ในแนวเดียวกันแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าเดินทางร่วมกัน ไปด้วยกันกินด้วยกันเดินทางร่วมกันแล้วก็จะรู้เหมือนกันคือรู้แล้วความทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงถ้ารู้มากขึ้นมากขึ้นความทุกข์มันก็เหมิดไปปัญหามันก็ไม่ไม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าทํากรรมฐานอะไรดังที่อาตมาพูดมาก็ขอสุขควรเก็บ เ, เวลาก็ไม่ต้องขอสรุปอะไรก็ข อ, ขอให้ญาติโยมนี่หรือว่าพระเดนของเราพระเจ้าประสงค์ของเราตั้งใจสะพติปฏิบัติธรรมแล้วก็ เราก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทิน